สรุปคำถามของผู้เข้าปฏิบัติในข้อนี้ก็คือต้องการขอโอกาสถ้าคุณเจ้าช่วยกรุณาแนะนำในคำถามต่อเนื่องก็คือว่าเรื่องของอนาปานาสติเช้าค่ะในชั้นของอนาปานานี่เนยอนาปานาสติเนี่ยที่จริงเป็นหลักของในสถิติฐานข้อแรกถ้าหากศึกษาอนาปานามาเนี่ยค่อนข้างที่ คำอานาปนาสติเนี่ยตรัสไว้หลายที่เนาะเช่นในสติปตฐานสูตรในคำพีมัชฌิมานิกายมูลวันนาในสูตรที่สิบเนี่ยตรัสเรื่องอานาปนาบอกและในทีขัณิกายนะมหาวัชนั่นก็ตรัสเรื่องสติตฐานแล้วก็ในอานาปนาคาถาในคัมภีปฏิสัมพิธามัก ทั้งอจักกถาด้วยทั้งดีคาด้วยเนาะแล้วก็ในวิสุทธิมรรคานาปานาสติสมาธิฉะนั้นจะมีกล่าวไว้ค่อนข้างหลายที่ได้เฉพาะไปเปิดเจอก็จะเห็นค่อนข้างเยอะและในชั้นของอานาปานาเนี่ยเป็นคําสอนที่ที่ค่อนข้างที่จะรายละเอียดเยอะมากตรงนี้ที่บอกชื่อคัมภีร์ไว้เนี่ยเพราะ เวลาในการที่จะทําให้เราขยายในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยต้องตอบได้ไม่ไม่กระจ่างแจ้งทั้งหมดแน่นอนอันนี้ก็ติดตามได้จากการที่ว่าไปที่บรรยายแบบเต็มสูตรนะถ้าอนาปนะจริงๆที่บรรยายแบบเต็มสูตรจริงๆน่าจะอยู่ประมาณสักน่าจะประมาณอยู่สักประมาณสัก ฉะนั้นการเดินการเจริญอาณาปนณะเนี่ยอยู่ในบับแรกของอาณาปณะสติเนะี่เพราะในสติปัฏฐานเนี่ยมีทั้งหมดสิบในกายานุปัสนาเนี่ยมีอยู่สิบสี่บับอาณาปาณะบับนั้นเป็นบับที่หนึ่งเอียบทบับนี้ที่สองสัมปชัญญะบับนี้ที่สามใช่ไหมปฏิกูลมรสิการบับนี่สี่แล้วก็ทาตัวมรสิกานบับนี้ห้าแล้วก็ต่อไปก็เป็นป่าช้าทั้งเก้าเริ่มตั้งแต่อุทูมาตะ ก, กังนั่นแหละตั้งแต่ซากศพตั้งแต่พองขึ้นจน กลายจนเป็นกระดูกเป็นผุยผงอีกเก้าบับรวมเบ็ดเสร็จก็เลยกลายเป็นสิบสี่บับเวทนาก็มีอยู่หนึ่งแล้วก็จิตก็หนึ่งธรรมะก็ธรรมานุปัสสนาก็ห้ารวมเบ็ดเสร็จก็ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะแต่ในด้านของกายานุปัสสนาเนี่ยทรงสอนเรื่องอาณาปานาบัตท่านก็ยกตัวอย่างว่าปกติเนี่ยธรรมชาติของปุรุชนทั้งหลายเนี่ย จิตใจของบุรุษชนทั้งหลายมักจะสั้นไปตามอารมณ์มีรูปอารมเป็นต้นคือว่าไม่สามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้นานเลยสรุปก็คือว่าจิตของบุรุษชนที่ไม่ได้ฝึกมาอย่างยาวนานในสังสารวัตฏเนี่ยจะชํานานที่สุดในกามาคุณทั้งในด้านของกามาคุณเนี่ยบุรุษชนทั้งหลายเนี่ยชำนานมากใจก็จะเนาะไปในด้านของกามาคุณเป็นต้นฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติในด้านของอาณาปาณะเนี่ยท่านจึงขับเน้นเรื่องการหลีกเล้น ท่านก็เลยพูดถึงเร่องลุกขมูลละลุกขมูลลกตวาสุญยาคาระกาต ว, วาเนี่ยเป็นต้นเนี่ยก็แปลว่าหนึ่งต้องหลีกเล้นทําไมต้องหลีกเล้นท่านบอกว่าการเจริญอาณาปณะสติเนี่ยจะมีเสียงเป็นอุปสรรคค่อนข้างเยอะไอ้ตรงนี้ก็คือว่าถ้าจะเดินกันแบบเป็นล่ําเป็นสรรเป็นกิจจากลักษณะเนี่ยชีวิตของผู้ที่จะเดินอาณาปณาะาบาปเนี่ยต้องหลีกเล้นจริง แต่ไม่ใช่หลีกเล้นบนฐานที่ยังไม่ได้มีข้อมูลฉะนั้นในด้านของกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานหรือวิปัสนากรรมฐานนี่นะท่านจะกล่าวเบื้องต้นของผู้ที่จะไปปฏิบัติหนึ่งตั้งมั่นในศีลข้อแรกเลยนะแปลว่าเข้าใจในศีลได้อย่างดีแล้วคำว่าตั้งมั่นนี่แปลว่าอะไรอ่ะเดินกุศลศีลได้จนแข็งแรงแล้วคำว่าตั้งมั่นในศีลเนี่ย ไม่ใช่ว่าศีลยังกระพองกระแพงเลยสรุปก็คือว่าอาณาปานะเป็นสติปัฏฐานไหมสติปัฏฐานสี่จักบริบูรณ์ได้เพราะสุจริสามบริบูรณ์ไงสุจริสามจักบริบูรณ์ได้ต้องปฏิมโมกขังวารศีนบริบูรณ์นั่นคืออะไรเนี่ยปฏิมโมกขังวารศีนจักบริบูรณ์ได้ต้องศรัทธาใช่ไหมออินทรายขังวานศีนจักบริบูรณ์ได้คือปฏิมโมกขังวานศีนบริบูรณ์ ป, ป, ปฏิโมกศีลปฏิโมกสังวารศีลจกบริบูรณ์ได้เพราะศรัทธาศรัทธาจะบริบูรณ์ได้เพราะอะไรเพราะศรัทธานั้นเห็นชาติทุกชลาทุกพยาทิทุกมราณะทุกนเบียดเบี้ยนคนที่มาศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีทุกเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างเนี้แรงไหมทุกมีชาติทุกเป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยทุกแต่ว่าบางคน ทุกเป็นปัจจัยแก่โศกกาศได้ไหมปาริเทวาทุกขโทมและสาปุปายาตอันนั้นก็เป็นอวิชาก็ว่าไปใหญ่เลยทียเนี้ยสังขารวิญญาณก็ว่าไปนี่พลาดไหมฉะนั้นเราที่นั่งกันอยู่เนี้ยปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีทุกเพราะเรากําลังนั่งอยู่บนชาติที่ทุกนั่งอยู่บนชราทุกบนพยาที่ทุก์และนั่งอยู่บนมรณะทุกนั่งอยู่บนความโศกนั้นฉะนั้นขาขอให้เอาความทุกเหล่าเนี้ยเป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ในตถาคตาโพธิสัต t h พอมีตถาคตาโพธิสัต tha พระพุทธเจ้าตรัสสิกขาสามก็เลยเชื่อละเชื่อกูศลลสราศีนไงเป็นต้นไงะฉะนั้นผู้ที่จะไปบาบเนี่ยท่านถึงบอกว่าตั้งมั่นในศีลสีประการมีปฏิโมกสมงสงวนศีลเป็นต้นไอ้ตรงนี้ไงอย่างผู้วิพากษษาจะไปปฏิบัติ ถ้าจะมาหาสมมติว่าอยากจะเข้าห้องกรรมฐ า, านทำไมต้องถามข้อแรกก่อ น, นเอาเข้าใจศีลไหมพอเข้าใจศีลไปเสร็จแล้วเข้าใจกรรมฐานอานาปณะดีไหมเอาแล้วต้องถามแล้วเข้าใจดีไหมถ้าจะอยู่ใกล้ชิดครูอาจารย์ให้เรียนโดยย่อแต่ถ้าจะไปอยู่ห่างไกลาอาจารย์เป็นยอดยอดนี่นะต้องเรียนโดยพิสดารทั้งเบื้องต้นทำกลางเลยที่สุดใช่ไหมคือจะต้องรักษาตัวเองได้ หรือฟังแบบพิสดารถ้าอย่างนี้ชัดแล้วเมื่อตั้งมั่นในศีลนะ่าต้องตัดปริโภทอด้วยไหมตัดปริโเทอเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างนี้อยูแล้วเราได้เดินกันอย่างนี้จริงหรือไม่ที่ผ่านมาขออนุ ญ, ญาตโลกไปแม่ไปวฏิบัติสามวันเจ็ดวันแล้วจริงนี้จะเอาผลอะไรเยอะไหมเนี่ยเราเราพลาดตั้งแต่ขั้นตอนการเดินเข้ามาแล้วทำไมาถึงบอกว่า ถารีบแล้วหกไหมแบบนี้ยหกเลยรีบแล้วจะหกอ่ะตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้ก็รายละเอียดอีกเยอะนะปริโพศมีอาวาสปริโพศกุละปริโพศ ต, ต่างๆก็ว่าไปทีนี้อ่ะสมมุติว่าเราตั้งมั่นในศีลและตัดปริโพศสิบประการเป็นต้นได้แล้วแล้วก็รู้อะไรเป็นอายักอะไรเป็นอปนาโกศลอปนาโกศารละหรืออะไรไม่เป็นอปนาโกศ น, นี่นะรู้รายละเอียดในข้อปฏิบัติเป็นต้นแล้วเบ็ดเสร็จ เข้าสู่ห้องกรรมฐานศึกษาพระธรรมมาดีแล้วทำยังไงแต่นี้อันนี้มุกพูดถึงมุมคนเข้าใจเพราะต้องการจะเข้าจอบว่าเออเขาทํากันยังไงก่อนเพื่อมาเป็นข้อมูลเล็เลกๆน้อยๆใช่ไหมที่จะเป็นฐานในการเจริญก็ศึกษามาดีก็คือเริ่มต้นด้วยการหลีกเล่นดังกล่าวหาที่สัพพายะก็คือว่าสถานที่สําคัญไหมสําคัญเพราะพระสัทธรนี่จะชํานาญในพื้นที่ใช่ไหมท่านถึงอุปมาเหมือนเสือเหลืองไง นะท่านบอกว่าก ร, กรณีที่กรณีีท่การกําหนดดูลมหายใจเข้าออกท่านบอกว่าให้ทําตัวเหมือนกับเสือเสือที่ไปหมอบอยู่ในพงหญ้าแล้วรอเนื้อมันจะมาต้องอดทนไหมยังไม่มาก็ต้องจ้องเขม่งอยู่นั่นแหละที่มันเคยมาเนี่ยต้องประเภทที่นิ่งเลยนะเนี่ย เขามายังไกลอยู่ก็ยังไม่ตะคุบเนะ้ต้องให้มากะระยะว่าตะคุบติดได้นี่แหละนี่ก็เหมือนกันการดูอาณาปานสติเนี่ยการดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยสตินี่สําคัญมากใช่ไหมธรรมชาติของสติก็คือทำธรรมะที่เกิดพร้อมกันกับตนให้ระลึกมั่นในลมประดุดดังแผ่นหินที่จมไม่ลอยเหมือนกระเบือเอ้องเออไม่ลอยเหมือนกับลูกน้ำเต้าใช่ไหมประดุดดังแผ่นหินที่ที่จมหรือกระเบื้องที่จมนั่นเอง หรือว่าธรรมชาติที่ระลึกได้เองด้วยนะระลึกได้เองแล้วก็ทําธรรมะที่เกิดพร้อมกับตนให้ระลึกมั่นต่ออารมุด้วยนะที่เป็นอารมณ์ของรูปนามเป็นต้นเหะไรเนี้ยประการต่อมาคือรักษารักษาอะไรธรรมชาติที่รักษาอารมณ์ไม่ให้ลอยหายไปจากใจอะ่ะนี่ต้องต้องชัดเจนนะนะแล้วก็รักษาข้อปฏิบัติแปลว่าตอนนั้นต้องใช้สติที่เป็นใบกุศลนะรักษาข้อปฏิบัติ ด, ดีต้องจิตที่เป็นใบกุศลด้วยหนึ่ง รักษาธรรมเนื้อธรรมชาติที่ล็บสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกันสตินั้นให้ตั้งมั่นในอารมณ์ของสติปัฏฐานก็คืออาณาปณะนั่นแหละให้ตั้งมั่นอยู่ที่ลมกระทบเข้าแล้วลมกระทบออกและในขณะเดียวกันก็คือรักษาอารมณ์ก็คือไม่ให้ลมหายใจหายไปจากใจไม่ให้อารมณ์เนี่ยหายไปจากใจดูจุดกระทบเข้ากระทบออกนี่นะเนี่ยรักษาอย่างเงี้ยแล้วในขณะเดียวกั น, ด, กนดูทีสังเกตดูด้วยมนโนทวารวิถีชาวนาเรืงต่างวิถีจิตเนี่ยมันเป็นกุศลไหม ไม่ใช่ไประลึกด้วยจิตที่เป็นอกุศลอย่างเงี้ยนะก็ต้องรักษาสภาพอย่างเงี้ยจนชัดจนให้เห็นชัดเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ใหม่ๆเป็นบริกรรมมาสมาธิเดินไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้าถึงอุปจารและสมาธิให้เป็นสมาธิที่มีความแข็งแรงคือดูตรงไหน สภาพใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็าวบไปที่อื่นใช่ไหมก็กลับมาผูกท่านถึงอุปมาเหมือนว่าจิตเนี่ยมันเหมือนเราลวกวัวลูกโคมันดื้่ใช่ไหมทําไมดื้่ลูกวัวตัวเนี้ยดื่มน้นํานมทุกหยดจากแม่โคที่ขี้โกงด้วยอะเคยเห็นแม่โคที่ขี้โกงไหมมันซ่อนเต้านมได้เวลามันจะให้ลูกกินนมเนี่ยมันสามารถ ซ่อนปุ๊บเข้าไปข้างในได้เลยนะโลกวัวโรกหัวมันดื้อใช่ไหมมันดื้อมันทาไงมันก็หัวชนตุตบตบเดินนมก็ล่วงลงมาใช่ไหมล่วงก็ดูต่อมันเป็นอย่างนี้ทั้นั้นในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าจิตของปุถุชนเนี่ยมันดื้อเหมือนกับลูกโคที่ดื้อมันจะซ่านไปมันหิวนมมันนี่ก็เหมือนกันี่มันหิวกลามคุณจิตเนี่ยมันน้อมไปในรูปเสียงกินรสมันชานานมาก ในเรื่องของกามบคุณชำนาญมากที่พระจ้น้อมมาหาลมหายใจเข้าออกมันอยากมาไหมมันไม่มาหรอกเหมือนลูกวัวตัวนั้นท่านลิ้งผูกไงเอามามัดด้วยเชือกคือสติใช่ไหมผูกไว้ที่หลักใช่ไหมผูกวัวเหมือนอะไรวัวเหมือนจิตเชือกเหมือนสติใช่ไหมเอาเชือกผูกผูกจิตเอาสติผูกจิต มัดไว้กับเสาคือลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกที่จุดนาสิกนิมิตหรือมุขานิมิตเน่ะผูกไว้ตรงนั้นเน่จะไปเผือแก้เชือกสองสารลรกวัวยังมันดิ้นหลายรอบแล้วเนี่ยสงสารผูกบ่อยแก้บ่อยไหมทำท่าจะนั่งสักหนึ่งชั่วโมงไปแก้ออกเลยละไ ป, ไปนี่เราไม่รู้จกธรรมชาติของสติไง บางทีต้องปอบโยนเลยนะใหม่ๆเนี่ยระลึกซีใช่ไหมธรรมชาติสติระลึกตามระลึกเนี่ยต้องปอบโยนอยู่นั่นแหละใหม่ๆอ่ะถ้าอย่างนั้นเชือกมันขาดใช่ไหมเชือกมันขาดงั้นก็ต้องผูกแล้วก็ปอบโยนให้ระลึกบางทีต้องนำก่อนไหมนำให้ระลึกให้ระลึกเลยอ่ะระลึกก็ตามระลึกระลึกก็ตามเลึกอยู่นั่นแหละใหม่ๆนี่เนียเพราะไม่ชำนาญเลย เพรน่ะเข้าน่ะเข้าเริ่มเชื่องแล้วเพราธรรมชาติของจิตเนี่ยพอเริ่มเชื่องเริ่มเริ่มจะอ่อนเริ่มจะโยนเริ่มอ่อนโยนจากกุศลแล้วน่ะเข้าน่ะเข้าก็จะเริ่มตั้งอยู่กับลมกระทบเข้ากระทบออกอันนี้แค่ขั้นแรกใช่ห้ามตามลมถ้าตามแล้วจะฟุง้งถ้าตามก็ไปข้างในก็เหมือนเราไปดูยุบทองยุบทองที่ท้องอ่ะอันนั้นเป็นอันตรายของสมาธิ ไปดูอันตรายของสมาธิที่มีอยู่อันตรายไปดูในปริศมิทามมากนี่แต่เราถ้าไม่ถ้าไม่นั่นเบ็เสร็จในที่ส่วจริงเนี่ยเราจะฝึกสมาธิไม่ได้ไอการตามไปดูจุดใช่ไหมเพราะจริงๆหายใจเข้าเนี่ยไอเบื้องต้นของลมมันอยู่ที่เราไม่ใจเข้าออกเออเราไม่ใจเข้าเห็นไหมเบื้องต้นเนี่ยกลางลมอยู่ที่หัวใจใช่ไหมปลายลมอยู่ที่สะดือใช่ไหมถ้าหายใจออกก็ต้นลมอยู่ที่สะดือกลางลมที่หัวใจใช่ไหมแล้วก็ปลายลมกัที่เนี่ยเราต้องตามแป๊บเดียวแล้ว องสมาธิจะแตกเขาเลิกทำที่เป็นอันตรายต่อสมาธิเพราะจริงๆเป้าหมายของการเจริญอานาปนะเนี่ยเขาต้องการจะให้จิตเป็นสมาธิเพื่อกําจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิกามฉันทะใช่ไหมเพราะต้องการจะออกจากกามฉันทะด้วยเนี่ยข ม, ม้ต้องการจะออกจากพยาบาทด้วยจิตที่เป็นไปกระโทสหรือเมตตา ต้องการจะออกจากถีนะมิทะด้วยอโลกสัญญาคือการกาหนดเห็นความสว่างแล้วก็ออกจากวิจิกิจฉาด้วยการกําหนดธรรมกำหนดธรรมไปว่ามั่นใจในสมาธิสิกขาเพราะศีลสิกขาเดินได้พอสมควรแล้วว่าจะเป็นสภาวะที่ทรงสภาวะธรรมเบื้องสูงคือสมาธิได้มีความเชื่อมั่นในสมาธิสิกขา ที่จะเดินอาณาปานาสติกว่าจะเป็นปฏิปทาให้เขาถึงความพ้นทุกข์ได้เชื่อมั่นไหมถ้าไม่เชื่อมั่นนะ่ะจบเพอเลยไปไม่เป็นอกลับมาก็มาคอภาพคอเวียงอย่างนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็เชื่อมั่นในอวิเขปากือความไม่ฟุ้งซ่านเพราะจิตเป็นสมาธิสกขาแล้วก็ออกจากอาวิชชาด้วยปัญญาออกจากอรารติความไม่ยินดีด้วยความยินดีในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็คือในศีลสิกขาสมาธิและปัญญาสิกขาตรงนี้ขับเน้นสมาธิพอออกจากทำแปดประการนี้ได้เขาเรียกเป็นอุปจาระถ้าเป็นอุปจาระนี่แปลว่าเริ่มปลอดภัยแล้วบางคนก็เดินแค่นี้ยเอาอุปจาระเป็นฐานในการเดินวิปัสนาลือเขาเดินยังไงสมมตินได้อุปจาระนะเขาก็เริ่มชํานาญเข้าอุปจาระบ่อยๆจนอุปจาระชํานาญจนเป็นวสี บางคนก็เอไม่มั่นใจแค่อุปจาระเดินต่อให้ได้ปฐมฌานไหมเพื่อออกจากกางฌานท้าพยาบาทถีนมิทาอุทะจาจะวุกุจจาวิจิกิจฉาให้เป็นอปปนาสมาธิเลยถามว่าได้ปบรีบไปต่อวิปัสน า, าเลยไหมไม่นะถ้าไปดูในคำสอนนะท่านจะบอกว่าถ้าได้แล้วทั้งอุปจาระและอปปนา ให้ทำอุปจารและอุปนายให้เป็นวสีถ้าไปรีบเร่งที่จะไปเดินวิปัสสนาต่อเขาจะอุปมาเหมือนกับแม่โคววดออโง่ตัวหนึ่งขึ้นไปสู่บนเขาแล้วมองลงมาข้างล่างเห็นหญ้าและน้ำก็รีบใช่ไหมรีบเลยกำหนดท่ า, าทีไม่ดีก็ตกลงมาหญ้าก็ไม่ได้กินน้าก็ไม่ได้กินขึ้นจากเขาไม่ได้ก็ตายอยู่นั่นเขาถึงบอกทำให้เป็นวสี ทำสมาธิเป็นวสีแล้วเปิดเสร็จก็จึงค่อยเดินวิปัสสนาเดินยังไงเดินวิปัสสนาเดินยังไงมีเดินถ้าจะเดินวิปัสสนาแต่นี้ต้องมารู้ลักษณาที่จะตุ ก, กะของสภาวธรรมไอ้ตรงนี้คือการเดินวิปัสสนาถ้าไม่ได้ลักษณะยตุ ก, กะคือลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมนะั้นเช่น รูปมีลักษณะอย่างนี้มีกิจอย่างนี้มีอาการปรากฏอย่างนี้มีเหตุใกล้อย่างนี้ถ้าไม่รู้เวทนาลักษณะเป็นอย่างไรกิจของเวทนาหน้าที่ของเวทนาเป็นอย่างไรผลปรากฏอาการปรากฏของเวทนาเหตุใกล้เป็นยังไงถ้าไม่รู้จากสัญญาสังขารวิญญาณถ้าไม่รู้จากรูปนามต้องเข้าหาอาจารย์ใหม่ให้อาจารย์เขาแนะนาลักษณะของรูป กิจของรูปอาการปรากฏแล้วก็เหตุใกล้ของรูปและของเวทนาสัญญาสังขารนิยามอาจารย์บางท่านกันก็จะสอนแนวสมถะก่อนแล้วก็ค่อยต่อที่ปรัชนาทีหลังเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้อันนี้ในรายละเอียดมันจะเยอะนี่นี่พูดแนวให้ดูนะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ถูกทางแน่นอ น, นแต่ถ้าไม่ไปแนวนี้แสดงชักเอใจได้แล้วว่าเราว่าอะไรกันแน่เกิดขึ้นกับเรา ตอนนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์ได้ให้โอกาสอธิบายในเรื่องของทานคุศรทางปรากฏทางทาวารตาทางทาวารหูอยากเอาไม่ใช่อยากค่ะปราปารภที่จะให้ได้แสดงถึงให้ครบทุกทาวารค่ะเพื่อผู้พูดเองพร้อมคณะผู้ปฏิบัติจะได้หมุนในเรื่องของทานให้ได้คล่องทั้งทาวารทั้งหกเจ้าค่ะ เอาเอาทุกอย่างเลยเลยเพราะว่าครั้งนี้เป็นโอกาสอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของใครบางคนก็ได้หรือจะอาจจะเป็นโอกาสในการเริ่มต้นของใครบางคนนะคะเออตรงนี้อาทานกุศลใช่ไหมตารบสีใช่ไห ม, ไหม เ, ออเจ้ากรุณาพูดทางทวารตาจบแล้วทั้งสมถะและวิปัสสนาตอนนี้หูก็จบแล้วเหลือทวารอื่นค่ะ ทำจมูกลิ้นกายและใจเจ้าค่ะคือถ้าหากเราปลารสกลิ่นนะแต่ว่าปารสกลิ่นบางครั้งเนี่ยเป็นดอกไม้นี่นะหรือดอกไม้เราปลารสกลิ่นคําว่ากลิ่นในที่นี้คือเอากลิ่นเป็นประธานเอารูปเอาเสียงใช่ไหมแล้วก็เอาเอารูปเอาเสียงเอารส แล้เอาผลิตภัณธรรมอารมณ์เป็นบริวารเนี่ยต้องเวลาเราจะปรารบเรื่องอารมณ์หกเนี่ยเราต้องรู้ว่าเอาอะไรเป็นประธานแล้วเขาเอาอะไรเป็นบริวารเนี่จะได้ชัดแปลว่าทุกทวารเดินนะแปลว่าอะไรเด่นอะไรเด่นในใจของท่านทั้งหลายถ้ากลิ่นชัดเอาเด่นเอากลิ่นเป็นประธานถ้าเสียงชัดเอาเสียงเป็นประธาน ถ้ารสชัดก็รสอาระสารมเป็นประธานถ้าโพธพะชัดเจนในใจเราเอาโพธพะเป็นประธานถ้าธรรมอารมณ์ชัดก็ธรรมอารมณ์เป็นประธานในที่นี้เอากลิ่นก็เลยน้อมังกลิ่นดอกไม้ใช่กลิ่นดอกไม้นี้เป็นกลิ่นที่หอมพระบรมศาสดานั้นมีศีลคันโทไหมมีกลิ่นศีลไปไปทวนลม เราเห็นกลิ่นดอกไม้นี้คู่ควรกับกลิ่นศีลของพระบรมศา ส, สดาใช่ไหมพระาศาสดาเนี่ยมีกลิ่นขจรฟุ้งไปทวนลมไหมทวนลมไปเทวดาและมนุษย์พรหมทั้งหลายต่างก็มาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและปริยสงของพระพุทธเจ้าเนาะกลิ่นศีลกลิ่นสมาธิกลิ่นปัญญาของพระาศาสดา น, นั้นฟุ้งขจรไปทวนลมเลยเทพเทวดามนุษย์ทั้งหลายก็ต่างพากันชื่นชม ส, สรรเสริญพระาศาสดาวิตรีปิโสพระกวาแม้เพ่อเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ใครจะกิเลสอู้เยอะแยะหมดเลยใช่ไหมเออเราได้กลิ่นนี้เป็นประธานแล้วเราจักบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกลิ่นด้วยของหอมนี้เพื่อเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาศีลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาสมาธิบูชาปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาสัพพัญญตญาณได้ไหมบูชาอนาวรณายานอินทรียปรโรปริยัติญาณมหากรุณาสมาปัฏิยาน ยามากะปาฏิหาริยานอาศยานุนสยยายานของพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าจักบูชาอาสาธานาญาณหกของพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระญาณที่ไม่สาธารณะไปแก่สัตว์ทั้งหลายนี่แหละแล้วจะบูชาพุททานิสีเวนิกระทำสิบแปดใช่ไหมเวสาลัชยานสี่แล้วก็พัทศพลยานสิบมีฐานาฐานายานของพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าเนี่นี่ปัญญาก็เริ่มเกิดแล้วจริงไหม พอคิดได้อย่างนี้บุญทั้งนั้นไหมเนี่ยบุญทั้งนั้นเลยไอ้ที่ตรึกไปในลักษณะนี้เป็นมโนแล้วนะมโนทวานที่เป็นทานนกุศลเพราเราน้อมบูชานี่มโนทวานที่เป็นทานากุศลพอตรึกได้สักเล็กน้อยก็เริ่มหยิบของหอมมีดอกไม้เป็นต้นถือไปตรึกไปด้วยไข้ควรวญไปด้วยเดินไปด้วยเป็นอะไรเนี่ยกายกรรมที่เป็นทานากุศลใช่ไหม อรอบกินเป็นประธานนอกนั้นเป็นบริวารเปลงวาจากล่าวเลยทอนี้สาธยายไปด้วยเป็นไงเป็นวัจีกรรมที่เป็นทานกุศลน้อมถวายกลิ่นเป็นพุทธบูชาธรร ม, มบูชาสังฆบูชาอย่างนี้ชัดเจนไหมได้ทานกุศลสามถวานไหมกายทวานวัจีทวานมโนทวานถามจริงเคยทำงี้บ้างไหมนียกลับไปทำเสี้เลยกลับไปทํา ถ้าเดินไปแล้วคิดไม่ออกกลับมาตั้งหลักใหม่อย่าไปสงสัยว่าทําไมคุณเดินกลับไปกลับมาไม่เห็นเป็นอะไรเลยไปเรบอ่อยไอ่ะไม่เคยทําแบบนี้เลยเลยเคยไหมไม่เคยต่อไปต้องทําใหม่นะขออนุญาตนะคะพอดีตัวเองเคยทํานะคะ แต่มันไม่คือสมมติเราเดินถือถือของจะใส่บาตรออกไปใส่บาตรหน้าปักซอยเดินไปได้ไปสักพักหนึ่งก็จะหายรู้แต่ว่าเราจะน้อมถวายแด่พระพุทธองค์ดอกข้าวกลิ่นข้าวหอมหอมแล้วก็หายอ๋อไม่แปลกใจไม่แปลกใจเดินไปอีกสักพักหนึ่งตอนยืนรอก็กลับมาใหม่อ๋อแล้วก็หายเออไม่แปลกใจหรอกแล้วทีนี้ทําอย่างไรเจ้าคะทำยังไงใช่ไหม เอิ่มอย่าแปลกใจนะในกรณีที่ว่าในชั้นที่จิตที่ยังไม่เคยคุ้นเคยนะจิตที่ไม่คุ้นเคยในบ่งบอกที่กล่าวมาไงเริ่มตั้งแต่ลายถ้าเราดูพวกสภาวธรรมในกลุ่มของตั้งแต่ทั้งจิตตะและหูตาเป็นต้นอะไรเนี้ยเนะี่ยกายกรรมัญญตาจิตตะกรรมัญญตา จิตตูชุกตากายะชุกตาเป็นต้นสภาพของกุศลนันไม่เกิดพอไม่เกิดแล้วก็ไม่เคยฝึกทานกุศลเขาบอกว่าคําว่าทานในกุศลเนี่ยจิตที่ฝึกในทานในกุศลเนี่ยนะควาว่าการฝึกเขาเรียกฝึกให้ใช่ไหมแบบเนี้ยการฝึกการน้อมการสละการน้อมที่จะบูชาเนี่ยอันนี้เป็นทานนกุศล ทีนี้การที่เราการที่เราไม่ให้การไม่สละการไม่เคยหนึ่งไม่เคยจิตคิดจิตที่คิดจะให้ก็อ่อนแอเพราะเราไม่ได้มองว่าเป็นวัตถุทานให้ชัดเจนเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชาเป็นต้นมาตั้งนานแล้วเนี่ยจิตก็ไม่ได้ถูกฝึกใช่ไหมฉะนั้นการไม่ให้การไม่ให้อย่างต่อเนื่องชื่อว่าเป็นการปฏิทุสลายจิตที่ฝึกแล้ว อย่าลืมนะว่าที่เราเราเราตรึกเราน้อมได้ไม่แข็งแรงอันนั้นบ่งบอกว่าจิตไม่มีความคล่องแคล่วจิตไม่มีความเบาจิตไม่มีความควรจิตไม่มีความตรงต่อการงานคือทานศีลภาวนาเลยอันนี้บ่งบอกว่าเราจะต้องเร่งรีบจริงๆฉะนั้นกรณี ต, ต่อไปเราเริ่มจะฝึกตั้งแต่เริ่มน้อมเรื่องทานให้เป็นน้อมเรื่องศีลให้เป็นน้อมเรื่องภาวนาให้เป็น นี้เชื่อเป็นการฝึกไหมนี่แหละคือการฝึกการฝึกอย่างนี้ก็าเรียกเป็นการเจริญไตรศิขาคือการเจริญศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยจักเจริญได้ด้วยการฝึกใช่ไหมด้วยการฝึกการฝึกก็มาจะคําว่าสิกขตินั่นแหละไมาจะคําว่าสิกขตินั่นแหละคือการมีการว่าศึกษาสิกขติศัพท์นั้นน่ะ ก็คือการฝึกการอบรมทำให้เกิดทำให้เจริญทำให้เกิดบ่อยๆทำให้เกิดอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเสมอๆ เ, เพราะบางทีเนะี่ยอย่าทำแค่รูปแบบถ้ารูปแบบอย่างเดียวเนี่ยแปลว่าใจไม่น้อมไปอันนี้แปลว่าใจต้องคุ้นเคยเพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกต้องการดัดต้องการน้อมถ้ามันฝึกไม่ได้แล้วก็ต้องเอาเนี่ย ไม่ต้องขนาดทานกนะุศลใจยังหลุดเป็นสิบสิบยี่สิบครั้งเยร้อยครั้งเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงศีลและภาวนาเนี่ยนะถ้าเป็นนั่งหลับตาก็เป็นนั่งฟุ้งส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยส่วนมากเป็นกันอย่างนี้ถ้ายอมรับข้อเทจริงเนี่ยนะแต่แต่ข้อเทจริงเนยะเราเป็นกันอย่างนี้จริงๆแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่ไงเพราะเราไม่ได้ฝึกตั้งแต่ชั้นของทานศีลภาวนามาเนะี่ยมันมีปัญหาเพราะเราไม่ได้มองเห็นสิ่งใดๆแล้วน้อมอันนี้ถ้าในชีวิตจริงแล้วน้อมอย่างเงี้ยน่ะเข้าจะชำนาญไหม จะชํานาญทั้งทั้งมโนโกรรมทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมถ้าหากว่ากายกรรมวจีกรรมไม่ได้นั่นมองหน้าที่ไหนก็น้อมมโนโกรรมบ่อยๆจิดจะถูกฝึกตลอดไหมถูกฝึกในทานในกุศลบ่อยๆแล้วถวายเป็นพุทธบูชาบ่อยๆต่อไปอาหารจานเดียวทัพพีเดียวเนี่ยโอ้ชํานาญมากฝึกได้หมดทุกอารมณ์เนะี่ยรูปก็ได้เสียงก็ได้กลิ่นก็ได้รสก็ได้สัมผัสก็ได้ทําอารมณ์ก็ได้เพราะ ผ่านการฝึกพอจะมองเห็นไหมอะคิดว่ายากให ม, หมหน้อยไหมใหม่ๆยากไหมใหม่ๆยากใช่ไหมทำยังไงถึงจะไม่ยากฮะต้องฝึกจริงๆเนี่ะมาถึงวินาทีนี้เนี่ยเราเรารู้แล้วว่าการเจริญกุศลควรเดินยังไงต้องเดินแบบต้อง หนึ่งต้องคิดเป็นอย่ากลัวการคิดแต่ขอให้ความคิดนั้นเป็นไปกับกุศลอย่ากลัวการคิดถ้าใครบอกว่าปฏิบัติห้ามคิดข่าผิดหรือล่าวถูกอารมณ์นังจินเ ต, ตจิตตังธรรมชาติใดย่อมคิดฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตคุณหยุดไม่ได้เวลาใดคุณไม่ใช้จิตได้นั่นแหละถึงจะไม่คิดนะ ต้งตรึกั้มสมมาวิตกเป็นธรรมะที่ควรจเจริญหรือควรละเห็นไหมนั่นแหละคิดทั้งนั้นการตรึกการตรองเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรจเจริญเป็นองค์ของวิปัสสนาด้วยเขาเรียกว่าสมมาวิตกเนี่ยนะนำหน้าวิปัสสนาปัญญาถ้าตัวส ม, มาวิตกไม่นำหน้าปัญญาจะไม่เดินเลยนั่นแหละ เราถูกปูดปิดมุมคําสอนกันมานานอยู่เราสอนไม่ให้คิดนะเราถูกสอนมาแบบนี้นใช่ไหมซึ่งมันเป็นความผิดพลาดมากๆเลยเป็นความผิดพลาดมากมไปฝืนคําว่าจิตเป็นธรรมชาติที่คิดแล้วไปสอนกันห้ามคิดแล้วมันขัดหลักของคนมีจิตมันขัดหลัก แต่เขาห้ามคิดบาปที่ท่านห้ามเนี่ยท่านห้ามคิดกามวิตกพยาวะบาดวิตกวิหิงสาวิตกแต่ท่านอนุญาตคิดเนกขม่าวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกต้องการดูเข้าไปดูในทวยทาวิตรักสูตรในมัชฌิมานิกายมูลวรรณะเออเขาน่าจะในมัชฌิมานิการไม่แน่ใจเนี่ยไปดูในนั้นแล้วจะเห็นว่าพระองค์สรรเสริญการคิด ขอให้คิดที่เป็นไปกับเนคขม่าเดีคิดทั้งวันก็ไม่เสียหายสําคัญเราจะไม่เป็นเนคขม่าใช่ไหมอย่าคิดเป็นด้านกลามวิตกปกติมันนุ่นชอบคิดอยู่ไหมมังคิดอยู่แล้วเปลี่ยนมุมจากกามวิตกมาเป็นเนคขม่าเสี ย, ยจากพยาบาทมาเป็นอพยาบาทเสียจากวิหิงสามาเป็นอวิหิงสาเสียนั่นแหละคิดไปเถอะเป็นความเป็นความดีที่ในขณะที่ว่า ดูลมกระทบเข้ากระทบออกคิดทั้งนั้นนั่นแหละจิตมันคิดอยู่ น, นเนี่ยถ้าไม่คิดมันแปลว่าดับดับก็คืออะไรไม่มีจิตเกิดมีปรินิพานเนี่ยคือไม่คิดกับคนเข้าออนิโรธาสมาบัตมีสองพวกที่ไม่ต้องใช้จิตนอนก็คิดเพราะวังกัจิตก็ยังต้องคิดเลยถึงบอกว่าเวลาจะกล่าวคําสอนให้กล่าวให้ถูก อักทะแล้วไปยันชนะแล้วจะได้จะได้ชัดทั้งนี้มองเห็นไหมนะั้จิตต้องคิดไหมต้องคิดคนไม่คิดมีอยู่สองกลุ่มคือคนเข้านิโรธาสมาบัติกับบุคคลที่ปรินิพานแล้วถ้าออกจากนิโรธาสมาบัติก็เริ่มคิดตั้งแต่อรหัตผลกับอนาคามีผลเริ่มแล้วเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลย อสารยะสัจพิเออนั่นไม่คิดอยู่เท่าไหร่ห้าร้อยมหาเก่รลืมไปตรงนั้นเออใช่ตรงนั้นนั่นแหละตรงนั้นไม่ต้องคิดแต่สงบได้แต่นอกนั้นก็ต้องกลับมาคิดเดี๋ยวก็กลับมาคิดต่อแต่ถ้าปรินิพานแล้วตอนนี้พระศาสดาต้องมาคิดอีกไหมพระโมคคารนะภาษาทิบุตรไม่ต้องมาคิดพระนนรไม่ต้องมาคิดพระมหากรศไม่ต้องมาคิดอีกเยอะแยะหมดไม่ต้องมาคิดแต่พวกเรายังต้องคิดถ้าไม่คิดบรรลุได้ไหม แต่ถ้าคิดไปทางกามวิตกพยาบาทวิตกหญิงสาวิตกคิดแล้วบรรลุได้ไหมก็ น, นี่แหละเพราะกา ร, รวิตกมันถึงได้เป็นอย่างนี้เพราะคิดผิดมานานแล้วหมดเวล า, า, าที้ยังเอาอีก5้านาทีนะให้เวลาห้านาทีเอาเนื่องจากเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ ต้องสุขก็เลยถามว่า อ, อ, อ, อสัญอสัตตภูมินี่นะ<ช><ช>อสัญในอสัญญาสัตว์เนี่ยคิดหรือไม่ผมเคยขอกราบนักการถามว่าตอนที่พระบระมาาศราสดาแสดงอมีเทวดาชั้นต่างๆมันรือเสียงกันขึ้นไปด้วยระดับที่ก็ขอเรียนถามว่าเทวดาที่เป็นเป็นพรหมในอสัตตภูมิี่อสัญญาสัตตภูมินี่ได้ยินไหมแล้วเขา ในชั้นของอสัญญาสัตวภูมิไม่มีต า, าหูจมูกลิ้นนไม่มีกายแล้วก็ไม่มีจิตตัวตอนนั้นนะเพราะว่าอสัญญาสัตวภูมิเนี่ยถูกข่มด้วยด้วยสัญญาวิราคาภาวนาเนี่ยสมาบัติสัตว์ประเภทนี้เขามีเจตนากรรมที่ทำไปเขาเรียกว่าสัญญาวิราคะเจตนาเจตนาที่มีความปรารถนาต้องการดับนามารมเขาเข้าใจว่าเป็นนิพพาน ฉะนั้นจะดูทิฏฐิประเภทหนึ่งในทิฏฐิหกสิบสองในพรหมชาลาสูตรหรือในทิฏฐิกถาทิฏฐิประเภทนี้เขาเรียกว่าเป็นทิฏฐาธรรมนานิพานเป็นต้นนี้นี่ยเขาไปสําคัญว่านิพานในปัจจุบันของเขาจะได้ก็คือว่าการได้อยู่ในอสัญญาสัตตภูมินั้นนะเป็นทิฏฐิของเขาประเภทหนึ่งนะอสัญญาสัตตอสัญญาเนี่ยนะอสัญญีญญทิฏฐิขออภยัยตัวเนี้นะอสัญญาทิฏฐิไม่ใช่ทิฏฐาธรรมนานิพาน ที่ตีประเภทเนี้ยเป็นความเห็นผิดไปเข้าใจว่าเป็นนิพพานของเขาฉะนั้นเมื่อเขาไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะไม่มีใจด้วยแล้วเนี่ยฉะนั้นตอนที่พรอบรมศาสดาแสดงธรรมจักเนี่นะที่ว่าพรมได้บรรลือเสียงต่อไปเป็นต้นเหล่าเนี้ยนับตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นเว้นอสัญญาสตาไปจนถึงสุทธาวาสภูมิเว้นอรู ป, ปรภูมิอีกสี่นะเว้นภ่มั้นแต่ละเพระอรู ป, ปรภูมินั้นไม่มีหู ไม่มีหูไม่มีตาแต่มีแต่นามธรรมคือมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันอรูปภมนี่เป็นสัตว์ที่มีขันสี่เวลาเราอุทิศส่วนกุศลก็จะมีใช่ไหมอุทิศให้กับสัตว์ที่มีขันหนึ่งขันหนึ่งคื อ, อสัญญาสตานี้มีรูปขันอย่างเดียวรูปภคันของอสัญญาสตภพเนี่ยที่ไปอยู่นั้นตามสถานะแล้วแต่บางกลุ่มบางกลุ่มก็นั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างอะไรก็แล้วแต่นี่นะ ส่วนไม่ไม่กระดูกดิกได้เลยเนี่ยนะไปนั่งแช่หรือนอนแช่อยู่างั้ น, นเป็นเวลาห้าร้อยมหากับมาเคาะห้าร้อยมหากับเนี่ยก็อาศัยจากกุศลกรรมเก่าๆเหล่านั้ น, นเป็นปัจจัยนําปฏิสนทิในสุขติในพบทัดมานอกนั้นก็มีสิทธิ์ลงอภัยภูมิวินด้วเนี่ยนะถ้ามีความเห็นผิดส่วนอรูปภูมินี่มีสองกลุ่มกลุ่มพาริยะท่านก็จะบริญิพานในอรูปนั้นส่วนกลุ่มบุตรชนนั้นเป็นผู้ที่ พระศาสดาใช้คําว่ามหาชยินโยแปลว่าวิบัติใหญ่เสื่อมใหญ่นี่คือกลุ่มมิจฉาทิฏฐินะนี่ก็ก็มองให้เห็นว่าฉะนั้นตอนที่พระศาสดาแสดงว่าภูมินางเดวานางสัตว์ทางสุตวานี่เนี่ยจาตัวมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสไลไปตามแบบนั้นคือรล่เด็ดจาตุมหาราชกาเทวดาชั้นจาตุมได้ยินเสียงแล้วก็บรือเสียงต่อไปเทวดาชั้น ยามาดูสิตนิมานนลดีก็เบลือเบลือว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมที่พระศาสดาได้ทรงประกาศแล้วเป็นต้นที่มนุษย์เทวดามารและพรหมที่ใครๆจะคัดค้านไม่ได้จะค้านไม่ได้คือจะค้านอริยสัจของพระเจ้าไม่ได้ค้านไม่ได้หรือว่านี่ทุกเนี่ยใครลองค้านดิว่าไม่ทุกเนี่ยนี่เหตุให้เกิดทุกใครก็ไปค้านไม่ได้ว่านี่เป็นเหตุของสุขก็เหตุ ข, ของทุกจริงๆแล้วก็นี้โรดคือความดับทุกเนี่ แล้วก็มักข้อปฏิบัติที่เข้าถึงความดับทุกข์จากนั้นพระศ า, าสดานนั้นจึงตรัสรู้นุตตราสมาสัโพธิญาณซึ่งเทวดามารณพมหรือมนุษย์เทวดามารณพจะค้านไม่ได้ที่เป็นลักษณะนีะ้เหลืออีกสองนาทีได้ไหมค ะ, ะคือว่ามีอยู่ทวารหนึ่งที่มีปัญหาที่สุดเลยคะ่ะในการที่ าารักษารมอะค่ะเราจะพิจารณาโดยเป็นทานกุศลอย่างไรรัก า, ารมกินใช่ไหมรักษาอมรสจะอ้อเข้าไป อ, อรสนี่ดูอย่างนี้คําว่ารักษ า, ารมเนี่ยถ้าหากว่าดูเป็นอาหารอาหารเนี่ยรักษาเนี่ยรัก า, ารมเนี่ยรสคือเกี่ยวในเรื่องของขับเน้นได้หลองได้หลายมุมรัก า, ารมขับเน้นที่ตัวรสจริงๆก็ได้ ที่ถวายถ้าถวายกับพระก็คือถวายพระรัตนตรยัยใช่ไหมก็ขับเน้นตัวรสะรส า, ารมณ์นั้นด้วยฉนั้นตัวรส า, ารมณ์ก็คือรสชาติในลนนักษณะนี้จะเป็นปัจจัยแก่การที่ทำให้ท่านซึ่งเป็นตัวแทนของพระรัตนตรยัยได้บริโภคได้สะดวกแก่การที่จะเป็นปัจจัยแก่การที่จะดำเนินในการที่จะทำศีลสมาธิปัญญา ทำสิกขาสามของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้านั้นให้บริบูรณ์การขับเน้นในลักษณะนี้เขาเรียกว่าขับเน้นระสาลมที่จริงตัวที่มีปัญหาจริงๆที่คนคิดได้ยากคือทำมาลมทำมาร ม, รรมถ้าทำมารมท่านจะขับเน้นตัววิตามินถ้าเป็นอาหารนะเออตัวโอชาที่ไปหล่อเลี้ยงกระแสของชีวิตเป็นต้นแต่ระสาลมนี่นะถ้ายกตัวอย่างถ้าจีวอนใช่ไหม เราจะขับเน้นยังไงพระอริยวรมาตัดกินได้ไหมใช่ไหมแท้ที่จริงรักาลมนี่นะท่านขับเน้นว่าท่านห่มแล้วถืออาหารวิวินาบาตแล้วท่านได้อาหารลดเลือดเข้าใจยังเราเล่ขับเน้นถวายจีวรแล้วขับเน้นรัสาลมได้ด้วยการที่ท่านแสวงหารถของอาหารอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็ขับเน้นให้ถูกฉะนั้นในมุมแห่งการวิจัยนั้นน่ะมีมุมอีกเยอะนะ อันนี้ยกตัวอยา่างอ๋อคือกรณีของธรรมมาลมเนี่ยนะถ้าเรามองนี้ว่ารูปเป็นรูปารมเสียงของจีวรเป็นเป็นอะไรเป็นสัตธารมรถก็สแสวงหาอาหารเป็นต้นใช่ไหมแล้วก็ผลทพัพอภะใช่ไหมใช่ไการทารมก็กลิ่นของจีวรเป็นต้น แล้วก็โพธพาลมก็คือเทอถามว่าถ้าธรรมาลมเนี่ยขับเน้นยังไงขับเน้นได้ได้หลายมุมเราขับเน้นตัวตัวสภาวธรรมที่เป็นอาโปธาตุทั้งหลายก็เป็นธรรมอารมณ์ใช่ไหมเพราะว่าจีวรทั้งหลายเยต้องมีดินน้ําไฟลมไอตัวดินน้ําไฟลมก็ต้องมีอาโปแล้วถามว่าวทีนี้สภาวธรรมตัวอื่นน่ะถ้าพูดถึงในรกรณีที่บอกว่าถ้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ไหม แล้วรูปอื่นที่เหลือมองเห็นไหมถ้าเราดูจากว่ารูปารมสัทธารมคันธารมลมสารมโผฏฐาปารมก็มีปฐวีโผฏฐาปารมเตโชวายโยโผฏฐาปารมอยู่ไหมแต่โผฏฐารมนี้กระทบได้อาโปธาตินี้ไหมนี้เนี่ยมีในตัวจีวรเนี่ยนั่นไงตัวธรรมารมนี่ส่วนหนึ่งนะว่าตัวธรรมารมนี่แหละที่เป็นตัวที่จะเกาะกุมจีวรเหล่านี้ให้เป็นผืน เพื่อจะทําให้ท่านได้นุ่งหม่มเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การบําเพ็ญสิกขาสามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริบูรณ์เพื่อชนะกิเลสอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นขับเน้นตัวนี้ก็ได้หรือหรือขับเน้นธรรมอารมณ์คือนานมาทําเมื่อท่านนุ่งห่มตัวนี้แล้วจะเป็นปัใจจัยให้ท่านได้บําเพ็ญเพียรทําศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นธรรมอารมณ์ไหมทำศ วิริยะสติสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไทบูร์ยิ่งยิ่งขึ้นไปมองเห็นไหมเป็นธรรมอารมณ์ไหมเป็นธรรมอารมณ์โอ้ท่านเจริญเจริญในศีลสมาธิปัญญานี้เป็นธรรมอารมณ์หมดเลยนะเนี่ยก็มองลักษณะอนี้นั้นไม่มีมุมไหนเลยที่จะไข่ควรไม่ได้ใช่ไหมมุมได้โดนทั้งทานศีลและภาวนาสา ม, มารถที่จะเดินแล้วก็ไข้ควรพิจารณาได้ดเลยอขอโมทนากันเรามาเดี๋ยวต่อไปก็ค่อย นี่หมดชั่วโมงแล้วกราบโมทนากลาบขอพุกคุณในความเมตตาในคำถามทุกๆคำถามเจ้าค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะ น, น้อมนำไปปฏิบัติเจ้าค่ะ